วัดอยู่ตรงนี้ใจให้เขากากเขาไหวาตัวเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมแต่จิตที่มันคิดบอกตัวอย่างนั้นทํำไงนม่ละอายตัวท่องๆถึงเสียชั่วตัวเสียเป็นขโมยสูข่คนนั้นสู่คนนี้อยู่เรื่อยๆมันเหนยไปที่อื่นใจมันบล็อกมันวนอยู่เหมือนไม่ยังวัน ความของเหราขางองเราอย่างนั้นทําไมเนี่ตรวจทั้งเยกใจจ๋อเห็นถ่ายเลี้ยงเือ น, นเข้า่าถามมาว่า ห, าหรือว่าเราดีเราวิเศษแล้วครังหาทางที่นิชิจนาสอนใจไม่อย่างนั้นมันจะมีท่างแก้ไขหาเราสอนใจของเราได้เจ้าน า, ายจของเราเข้าถึงมันก็รู้ตลอด อย่องอดีตอนาคตเพราะความแก่ความเก็บความตายนั้นมันมีมาแต่ไหนแต่ไรเราอยู่ปัจจุบันเึ่นอย่างไรอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังใหม่มาถึงมันเหมือนซ้ำมันจะมีอะไรที่จะมาทำให้ใจิตใจไหวฝันหลุ่มหลงตัญญยาคิดหาทางอื่นคิดได้ฉลาดแหลมคมจะมจะมาแก้จิตใจของตน คือมันโง่แก่ตายอยู่แล้วไม่มีปัญญาที่จะชำระใจที่จะแก้ใจท่องตัวปล่อยให้มันชั่วมันเสียมันเหน่ามันเหนีนอยู่อย่างนั้นปัญญาแบบโลกโลกนั้นมันไม่เกิดชระประโยชน์อะไรให้สำหรับใจของผู้ประพฤชตะกีบักต่อเป็นปัญญาด้านทองธรรมไม่มีมากกว่าตามแต่ทันกับเรืืองท่องมันฟังคิดติดข้องเรื่องอะไรทราบด้วยสติ แก่ไขโดยปัญญายังจะรักษาตัวของตัวไม่ให้ชั่วในเรื่อคคงความคิดความปรุงของใจให้จิตเห็นโทดเห็นภัให้จิต เ, เ, เลื่มใสในอจในธรรมมันก็สุ ข, ขสบายเป็นหน้าปราบหน้าว่าตัวของตัวเองก็เลื่มใสพอใจเคยห้องจิตคิดและแต่เดี๋ยวนี้มันสงบมันระงับมันไม่ได้คิดจิตข้องอย่างก่อน เราก็ทราบจากตัวของเราคนเขาอื่นที่เขามีหูมีตาปราชนะบุญเขาจะได้มาตาบ่าถูกเหงื่อนาบุญของเขานี่เราเป็นกองขี่เขาเป็นมแมลงวันมาตอมกองขี่ของเน่าของเหม็นกันอยู่อย่างนั้นไม่ทราบว่าอะไรเป็นของดีมีคุณค่ามันเสมอกันมันจึงหลงสาดมันมองเห็นตับใตใสพุงมองเห็นจิตใจ ของพระพิคสุสามะเนรด้วยตาในจริงจังแล้วมันจะไม่มาขาบมาว่ามันจะดูหมิน่นนินทากินขา้าวถูกปลาตายของเขาแต่จิตใจเน่าจิตใจเหม็นเขาจะดูหมิน่นนินทาเราต้องสอนตัวของตัวอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นมันจริงจะมีความผ่าความเทียนมันจริงจะเห็นทุกเห็นโทษในการเกิดการตายม่อย่างนั้นมันไม่มีวันเวลาให้ มีแต่กิกเลดจะลุ้งจะหมูกเหลื่อยไปเลยไม่มีอะไรในอาจในธรรมนี่คือการภาภาภาภาาประปฏิบัติเพื่อมรักเพื่อผลจะต้องตั้งจิตตั้งใจดูแลรักษาภายในของตัวมันจะอดอิ่มอย่างไรนั้นปล่อยให้เรื่องของกรรมเขาใม่ปล่อยให้พระ ผู้ประพฤตปฏิบัติอดตายแล้วทำรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่มีผู้สงสารเมตตานำมาให้ถ้าหากต่้งใจประพฤติปฏิบัติตามอัตามธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนมีมันเป็นอย่างนะั้นอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้มีแตคิดออกไปนอกแต่จะสอนตัวของตัวไม่ค่อยสอนไม่ค่อยต่้งใจ อาจการสั้งวร อ, อินทรียทั้งวรสีและสั้งวรงโพสเนมัตันยุตตาสาคัญญาเนยโยกหนีธรรมขี่พระพุทธเจ้าทือว่าเป็นธรรมเถิดจะขับไล่ที่เหลือตันหาออกจากใจการสังวรในศีลการสั้งวรในอินทรียศีลก็คือสังวรใจวาจะอินทรีก็ทำ น, นองเดียวกัน ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็อินซีพวกเสีมาตันยุตารู้จักประมาณการบริโภคอาหารให้พอเหมาะพอสมอย่าไปติดรถจนเกินเหตุเกินผลขันไปพอประทางชีวิตเอาไวลยเดินจงกลมภาวนากำจัดความหนว มีอยู่ให้หมดไปในสีชนันเสือรร่อความสวยงามวันนี้ัีมันอะไรสันเสื่อรักษาถารรัดชันเหมือนกันกับคนเกาะศาสอสุภศาสศพท่ามเนี่ยน้ําถึงมันเน่ามันเน้นมันเป็นปฏิกูลขนาดไหนก็ต้องเกาะมันไปอาศัยมันไปไม่อย่างนั้นจะท่ามไม่ไม่ไหวจะต้องอาศัยศาสศศศาสอสุภ เป็นเรือพาไปนี่เราฉันอาหารถึงมันจะเป็นของปฏิกูลโสโครกแล้วก็ฉันไปเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมดีในให้ถึงฝั่งให้คิดีย่งแค่นั้นอย่าไปคิดว่ามันดีมันดีเสรอเ็ตอร่อยมันก็ดีจ ร, ริงล่ะเหมือเราชอบเรายินดีแต่เวลามันออกมาล่ะมันไม่ดีนะ มันดีมันเข่ามันกดดีออกมันจุกดต่องดีนี่มันเข่าไปแล้วออกมาเพียงแต่ลมเ่านั้นตัเวเบียนหนาหนิเพราะเหตุใดเพราะมันเหม็นมันเป็นปฏิกูลขนาดไหนทำไมพี่เจนามันชาคณียานยโยคคือปลุกจิตของตัวให้ตื่นอยู่เสมออย่าไปหลับไปหลงหทีนี้พี่เจนาอาจทำอยู่เรื่อยๆไปไหนว่ะ ยิทยบทใดแต่ชื่อว่าผู้ตื่นจากหลับคนตื่นอะไรเกิดขึ้นก็ยอมทราบถ้าคนหลับแล้วไม่อย่างนั้นเขาจะเอาอะไรไปป่ายไปทาหน้าตาที่ไหนมันก็ไม่เห็นให้เขาจะเอาอะไรของดีมีค่าอยู่ในบ้านสองห้องตัวมันก็เอาหมดไปได้เพราะมันหลับ มีความตื่นของจิตก็เหมือนกันตื่นอยู่เสมออารมณ์ทัานยาอะไรเกิดขึ้นมาตื่นเข้าใจแบบอารมณ์อันนี้จะควรเก็บไว้พิจารณาไหมหรือจะควรขับไล่ออกไปมันทันเพราะสติมันตื่นอยู่มันรู้อยู่ีวิเลศจึงไม่มีโอกาสเวลาที่จะมาขวางําใจท่องผู้ที่ตื่นอยู่ได้ตื่นด้วยความเชืยอตื่นด้วยธรรม ด้วยวินัยมนจะตื่นธรรมดาสามัญอย่างพวกเราจิตใจท่านตื่นไม่ได้หลับหลงนี่เรามันหลับลืมตาอยู่กระหล่ำจิตใจมันไข่จิตจิตของกับสัญญาอารมณ์อะไรมันมาดิไข่ใจปล่อยให้มันเกิดมันเป็นตามเรื่องของมันอยู่อย่างนั้นมันหลับมันหลงอยู่อย่างนั้นมันจริยแย่ยิ่งใหญ่ตัญหา มาหนา้าที่ย์ใหม่พันถ่ะมันตื่นเป็นสาระนิยานุโยคจริงจังมันไม่ตื่นมันไม่หลับอย่างนั้นอะไรเกิดขึ้นผลขึ้นภายในจะต้องทราบทุกขณะทุกระยะนี่คือความตื่นของใจเดี๋ยว่าสาระนิยานุโยคคือผู้ตื่นประกอบความเพียรอยู่ทุกอินิยบทเราผู้มาประพฤติปฏิบัติ บวชในพระพุทธศาสนากระซองตาหนาต่างตาปลุกตัวพ้องตัวให้ตื่นอย่าไปติดตามสัญญาอารมณ์อดีตที่ผ่านมาอย่าไปคิดปรุงในสัญญาอารมณ์ครั้งหน้าปัจจุบันมันอยู่กับสัญญาอารมณ์อะไรเป็นไปเพื่ออาจเพื่อทําหรือไม่หรือเป็นไปเพื่อความโวภความโกรธความหลงให้ดูอยู่ในปัจจุบันนะ้นแก้ไขมันอยู่นั้น มันเกิดไม่ดีก็แจกไขมันแต่อันนี้มันเป็นพิษเป็นภั ย, ยอย่าไปเสพมันสิ่าเกี่ยวข้องมันถ้าไปเกี่ยวข้องกับมันเดี๋ยวมันจะกัดเอามันจะต่อยเอาเราต้องรู้ต้องเข้าใจด้วยสติด้ว ย, ยวปัญญาของเรานี่คือผูดตื่นผูดเพื่อปฏิบัติผูได้รักษาจิตของตัว อยู่ทุกการทุกเวลาไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นหมันให้เป็นโมฆะคนนั้นแหละจะมีทางพ้นจากทุกภัยในวัฏฏ์ตาสงสารได้หากใครเมินเฉยไม่ดูแลรักษาจิตของตัวคนนั้นถึงจะปฏิบัติอยู่ในศ า, านสนาจีพรรษากีกับกี่กันก็เถอะไม่มีวันที่จะําระจิตใจของตัวให้บริสุทธิ์ได้ ยองดูภายในของตัวอย่าไปดูภายนอกดีชั่วมันไม่มเกิดขึ้นมาจากดินฟ้าอากาศมันเกิดขึ้นจากภายในคือเกิดขึ้นจากใจของตัวเองโลกปวหลงมันไ ม, ม่อยู่ที่อื่นมรรคผลมันไ ม, ม่อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่เองการดูกายใจการพิจารณากายใจจึงเป็นการประพฤติปฏิบัติตามอาชธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอน เมื่อเห็นกายใจของตัวถั่วถึงกายใจของคนอื่นมันเป็นอย่างไรนะั่นมันก่อถาดอันเดียวกันขันอันเดียวกันมันจะไปหลงที่ไหนฉะนั้นจึงป้าธาตทายโลกได้ตัวเราจะไม่หลงโลาอีกมันแต่าตุทายได้พราะมันเห็นมันเป็นในใจตายอีกเกิดอีกไหมมันก็่อในทางสงสัย เพราะมันชาจากการำํำระจิตชำระใจของตัวนี่เราในเป็นอย่างนั้นก็รีบเด่นกะททำกันให้มันเห็นมันเป็นเพราะทำาันบัญญัติให้มนุษย์เป็นผู้ปฏิบัติในเดี๋ยวไปทิ้งให้สัตว์เขาเป็นผู้รักษาปฏิบัติเราเป็นมนุษย์จริงได้ ย, ยังหรือ ย, ยังเป็นสัตว์ ขีดข้องิดในพบในชาติอยู่สัตว์คือหมายถึงผูกข้องในสัญญาอารมณ์ในพบในชาติในกิเลสตัณหาทีเดียกว่าสัตว์แต่มันไม่มีหางมีเขาเหมือนเขาก็เลยเราก็เลยมาเรียกโกโคโกะมนุษย์แต่ความจริงมันก็ข้องติดติดแวะอยู่เหมือนกันกันกบสัตว์ พยายามสอนก็ตอารมณ์ใจของตัววันเื่อนก่อนับวันหมดไปหมดไปตามเวลาตามหน้าผีของมันพรรษาของชวนจะใกล่ออกมาเรื่อยๆไหนวาในพรรษาหนอกพรรษามันไม่มีการมีเวลาทําความดีเหมื่อะไรความดีจะเป็นผลเป็นกาไรนําสูกมาให้ในพรรษาทําชั่วความชั่วของ ให้ผลได้เหมือนกันหนอ่อพรรษาทําชั่วความชั่วก็่าให้ผลทําดีหนอ่อพรรษาในพรรษามันกว่าทำนองเดียวกันอย่าไปทือว่าวันนั้นมันจะดีวันนี้มันจะชั่วทาคําสอนขององค์พุทธเจ้าคือนักตังงงตง้งตัง้งมังคสารุปภาทางสิ่งสัตว์ซื้อใช่ไห้ซื้อการซื้อเวลา ด, ดีมงคลดีอาศัยการทําดี ถ้าทำชั่วแล้วมันไม่เป็นมงคลให้เราทำเดียวนี้ก็เป็นมงคลแก่ตัวของเราเดี๋ยวนี้ถ้าทำในทางดีถ้าทำในทางชั่วเราทำเดี๋ยวนี้ก็เป็นอัปามงคลเดี๋ยวนี้จึงไม่มีพรรษาหนอกพรรษาไม่มีวันนี้คืนมันเหมือนเดิมอยู่อย่างนั้นควาดีจึงควรแต่ทำกันเสีย เป็นขีดถึงขีดอาศัยเป็นอขีดเกาะห้องใจเมื่อไรยังไม่ถึงฝั่งจะต้องอาศัยความดีเป็นผู้นาพาในอย่างนั้นก็จะมีทุกมีโทษเจ็บตัวกา ร, ราตัวพฤิจิตรีบจึงควรดีควนขวายแต่ทาบําเพ็ญอย่าไปเห็นแก่เลีเ้ยงแก่คุยแก่รับแกนอนทายเดียวในอย่างนั้นจะเลย มีอะไรได้อะไรในการมาบวชวท้องตัวพอเสียฟันเสียเวลาเรื่องเขาสุกปลาตายเข้าไปท่นนั้นเราสอนใจของเราทางไนาการปฏิบัติ ส, ส, ส, สุกคนได้ระดับเล่าฟังค <c oughs> ำ ท, ที่อธิบายมาจงนำไปกำหนดที่นี้ที่เจนะศึกษา ปฏิบัติตามต่อไปนั้นก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมเห็นว่าพอต้งโฟมเยเวลาเขติเพียงแคนี้เอ๋วังน้อยเหมือนตุ่งอ่ะกูหน่งหลงารอิบายการังธรรมเี่ยวกนี้ก็จะเคพูดธรรมะอะไรไม่พูดไม่เคออกเหนื่อย การเข้ารรษาของเราก็ครบรอบเดือนเนี่ยแยกกับวัยของบุคคลแต่ผมเอาวัยก็หมดไปแล้วยังไม่ชิมเอวัยแต่ชิมเอาวัยคือสามเดือนการเข้ารรษาวัยของคนตัวสามวัยวัยต้น คือแต่สมมาไวหมดไปยังมามาไวแต่ถึงมาไวสองยังสองไวแต่อายุของคนนั้นมันไม่อยู่ตามการตามวัยเด็กเล็กเด็กแดงก็ตายได้บางผ่านบางคนก็เฒ่าแก่เท่าไรคอยวันคอยคืนี่จะตายก็ไปตายให้เอาแน่นอนไม่ได้เรื่องชีวิต เรื่องชีวิตไม่ได้ฆ่าดิทําอะไรมาตก็หมดไปหมดไปแล้วก็ตายไป <c oughs> ส่วนเรื่องที่เหลือตัณหาภายในจิตใจนั้นถชีวิตมันจะแกงไปตายไปหล่วงไปก็าตาม <c oughs> มันไม่เคยหล่วงไปหายไปตายไปตามการตามเวลาตามวันตามคืนให้ แต่ น, นั้นต้องอาศัยการภาวนาสำระ จ, จิตไม่อย่างนั้นจะไม่มีวัน <c oughs> ที่สงบเยน็นเคยเตือนอยู่แล้วสมัยพุทธการขอบพรรษาขานเคยอธิษฐานใจเอาไว้เพื่อจะขับไล่กิเลสออกจากใจของตัวบาง่ันบางองค์ก่อจะให้สำเร็จ เป็นอรหัสตอรหันต์ในขึ้นเดือนแรกหรือเดือนแรกบางท่านบางองค์กว่าในภาษานี้อย่างไรกว่าดีจะไม่ให้อยู่จใจจิตพ้นจากกิเลสตัณหาท่านเคยอธิษฐานเอาไว้แล้วตังหาตังตาภาวนาํำรยกิเลสนั่นมันสมัยพุทธกาล่ันทามกันได้จนเป็น สารณะให้พวกเราได้กราบได้ว่ายกันแต่สมัยปัจจุบันนี้เนาะรรษาก็ดีในพรรษาก็าดี <c oughs> ความคิดนึกฝึกตองเพื่อจะแก้ไขใจของตัวสี่จิตคล่องในวันหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งหนึ่งหรือเดือนหนึ่งหนึ่งเคยคิดเคยนึกเคยฝึกเคยรักษาจิตใจของตัวไหมหรือปล่อยไปให้เป็นหมันให้เกิดสรประโยชน์อะไรให้ ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ขาดทุนสูนกําไรในการเกิดของตัวกพเกิดเป็นมนุษย์นี้ทางไาวยากเย็ยนเลือกเกินเหมือนกันกันกบเต่าสนูตาบอดถึงโชมอยู่ในท้องมหาสมุทรกว่าจะโผล่ขึ้นมาจากท้องมหาสมุทรจะได้เกาะได้อาศัยไม้หรืออะไรที่ลอยไปในมหาสมุทรนั้นมันแสนยาก ทั้งตาบอดเสียด้วยไม่ทราบว่าริงไม้หรือต้นขอนต่างๆมันอยู่ที่ไหนเมื่อโผล่ขึ้นมาได้ได้ก่อได้อาศัยเป็นโชคลาภของเตา่ามีพวกเราท่านก็ททำนองเดียวกันการเกิดเป็นมนุษย์นี้ยากแสนยากลำบากเหลือเกินฝ่าจะเกิดได้เพราะพบชาติอื่นๆมันมีมากสัตว์น้ำก็นับ อย่างไม่ได้สัตว์บอกก็นับอย่างไม่ได้และเกิดง่ายสะดวกสบายไม่เหมือนมนุษย์เรามนุษย์จึงเป็นสัตว์ที่ประเสริฐไม่ใช่สัตว์ธรรมดาเหตุใ ด, ดจึงว่าประเสริฐถ้าพุทธเจ้าหรือเราอราหารันต์ปฏเจกับพุทธเจ้าก็เกิดมาเป็นมนุษย์ทางนั้นไม่ใช่เกิดเป็นอันอื่นแต่นั้นจึงเรียกว่า เป็นสัตว์ที่ไปรเสริฐควรสําระจิตใจของตัวให้ประเสริฐตามยยีงอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราเคยกระทําบําเพ็ญมาไม่อย่างนั้นการเกิดของเราก็จะเป็นหมันเป็นโมฆะหาสาระอะไรไม่ได้สัตว์เขาเกิดก็าตายเหมือนกันกันกบเราแต่เขาไม่ไประเสริฐเพราะเขาไม่ได้คิดในทางดีของเขา ตื่นมากอหาจินอิ่มแล้วกว็หลับนอนในเรื่องของสัตว์ไม่ว่าสัตว์บ้านสัตว์ป่าเป็นอย่างนั้นเขาไม่เคยคิดถึงวันถึงเวลาที่ผ่านไปว่าเราจะทำบุญพิธทานอย่างไรจะจำศีลอย่างไรจะภาวนาอย่างไรจิตใจของสัตว์ไม่เคยนึกคิดเรื่องเหล่านี้แต่มนุษย์เราคนที่ ประมาทเมินเฉยกว่าทำนองเดียวกันกับสัตว์เพียงแต่กินแต่อยู่เท่านั้นไม่ได้คิดกําจัดกิเลสตัณหามานณ ท, ทิิละชั่ว บ, บําเพนดีมีแต่แสวงหามาใส่ปากใส่ท้องท้องตัวแล้วก็หลับก็นอนก็เพลิดก็เพ ล, นเพลินกันไปตามเรื่องของกิเลสตัณหาไม่ได้คิดว่าการเกิดท้องตัว มันยากมันลำบากไปจะเกิดขึ้นได้แต่และครั้งแต่และหนเมื่อไม่คิดอย่างนี้การสะสมคุณงามความดีอะไรมันก็ไม่อยากแต่ทำบำทํมเชนเพอเห็นว่าการเกิดมันไม่ยุ่งยากลำบากอะไรเพราะไม่ได้คิดถึงเหตุผลวนปลายอะไรเียงเกิดได้ก็ว่าตัวเกิดตัวดีเท่านั้นผลที่สุดตายไป เมื่อไม่ได้ทำบุญพ้นทานเมื่อไม่ได้สร้างคุณงามความดีอะไรไว้จิตใจที่เต็มไปด้วยยิ่เยดตัณหาเต็มไปด้วยมานาทิสต์ต่างๆไม่มีบุญกุศลส่วนใดที่จะสนับสนุนให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพบุตรเทพรธรรดาหรืออินทร์พมด้มันก็ไปสู่อาบายคู่ทางชั่วทางเสียอาบายนั้น พวกเราท่านก็ได้ยินแต่ในตำรับตำราบ่ามันทุกข์มันยากมันลำบากลำคาญขนาดไหนอาบายนั้นไม่เลยหมายถึงแต่นรกหายเดียวเกรดสุรกายสัตว์สิเลฉานหมายถึงอาบายสัตว์ทั่วไปบางประเภทบางอย่างมันก็อาจจะสนุกสนานอยู่สะดวกสบายขพงะมันเหมือนกันแต่ พวกเราท่านไปถือว่ามันทุกข์มันยากมันลําบากความจริงมันก็อยู่ตามพื้นตามเพของมันพบคือมันอยู่มันอาศัยมันก็ถือว่ามันทุกขมันสบายนี่เรื่องของสัตว์ส่วนเศษนั้นหมายถึงพวกที่ลําบากด้วยความหอดหิวอาหารไม่เคยได้รับทานยินน้ําใน ตัวเลยตั้งแต่วันเกิดเป็นเศษมาต่างกายปูกจิรหอมมากลำบากในอาหารการกินแล้วจะไปทำมาหากินเหมือนมนุษย์เหมือนสัตว์อื่นก็ไม่ได้สองอาศัยกินผลของกรรมที่ตัวทำไว้และสุรกายหัวไม้ถึงพวกที่มีกายไม่งามกายเหนาะกายเปีย เป็นไปต่างๆนานาอยู่ว่าสุรกายส่วนนรกนั้นหมายถึงความทุกข์ยากลำบากไม่มีความสุขร้อนก็ร้อนเกินเหตุเกินผลหนาวก็หนาวเกินเห็ดเกินผลอดทน ล, ลำบากเพราะกรรมของตัวนี่คือที่ชั่วที่เสียเรียกว่าอาบายยับคุมมจะคุ้มตำ่ำ สัตว์พวกนี้ไม่มีโอกาสเวลาจะมาจำศีลภาวนาให้ทานทำการบุญศนอย่างมนุษย์เราได้เขาจะโจมอยู่อย่างนั้นเรียกว่าปัทภพละมะกว่าได้หรือจะเรียกว่าโลกันสารโลกกว่าได้คือมืดอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาที่จะสว่างจิตใจของพวกเราท่านหากใครเป็นอย่างนั้นคือไม่ได้คิดคานึงคานวณถึง ว่าการเวลาผ่านไปไว้ผ่านไปพลั ง, งความดีที่เราสะสมเอาไว้มีอะไรบ้างทานก็ไม่เคยหยิ้งกก็ไม่เคยรักษาภาวนาก็ไม่เคยบำเพ็ญอยู่อย่างสัตว์มืด บ, บอดอยู่อย่างนั้นถึงวันถึงเวลาป่วยไข้หนักมาก็ร้องไห้ก็เสีย อ, อกเสียใจกลัวกัวจะตายไปไม่มีอะไรในจิตในใจที่จะสุขจะสบายให้ พอคิดถึงอะไรก็ไม่มีแต่เกิดมาไม่เคยทำคุณงามความดีอะไรทามันเป็นประเภทนั้นก็ได้ชื่อว่าถึงกายของเราเป็นมนุษย์แต่จิตใจของเรามันก็กลายเป็นสัตว์นรกเป็นเศษเป็นอสุอรากรายเป็นสัตว์ที่เลสานไปเสียรเราจะต้องหมั่นพินิตรพิจารณาดูว่าวันคืนที่ผ่านไปตั้งแต่ เกิดมาในทำคุณงามความดีอย่างไรหรือแต่เข้าพรรษามาจนกระทั่งวันนี้คุณงามความดีที่เราสะสมเอาไว้มีอะไรบ้างตลอดถึงด้านจิตใจเคยผ่องใสเคยสงบเย็นไหมหรือหากอยู่พอหมดวันหมดคืนหมดเดือนหมดปีไปแถานั้นจะตรองสวจตาที่นิพิจรารณาไม่ตรวจตาที่นิพิจารณาอย่างนั้น มันนอนใจมันตายใจทางศาสนาถือว่าเป็นผู้ประมาทคือผู้ประมาทนั้นฉันหมายถึงคนตายตายจากคุณงามความดีถ้าผู้ไม่ประมาทวันคืนเดือนปีถี่ผ่านไปอุตส่าห์พยายามขับไล่กิเลสตัณหาทําความภาคความเพียรภาวนาสําระจิตคุณงามความดีส่วนใดควรจะเป็นไปควรจะได้จะเห็น รีบจต่รรมมทำบำเพ็ญให้เกิดให้เป็นให้เห็นให้รู้ในจิตใ น, ในใจของตัวผู้ศรีษะสมผุ้ ง, งามความดีอยู่อย่างนี้นท่านเชื่อพุทธิ์ตื่นคือพุทธะรู้ตัวอยู่ว่าการเกิดมาจะต้องมีการแก่การตายเป็นธรรมดาเมื่อเกิดมาแล้วความแก่ความตายไม่มีใครปาฏิหาริย์แก่กว่าแก่กว่านี้ไปไม่ได้เป็นสมบัติของทุกคน เราทุกคนจะต้องไปพบพบอย่างนั้นไม่ใช่ดังแท้คนที่เขา่วงลับดับหายไปเราก็ทํานองเดียวกันกับคนที่เ้าตายไปเหมือนกันเราจะต้องตายเหมือนกับเขาอยู่ขําฟ้าไม่ได้จะต้องที่นิ่ที่เจอนทะทำลายใจองตัวสิ่งผีชั่วเสียต่างๆหมันกําจัดปัดเป่าออกไปทำจิตทำใจให้เบิกบานให้ฟองใส ไม่มีการธุระหน้าที่อะไรก็กกำหนดจิตอยู่ในพุโทโธพุโทโธให้จิตมันสงบจิตมันเบิกบานจิตมันรู้จิตมันตื่นจากกิเลสตัณหาถ้าหากไม่ที่นี้พิจารณาอะไรมันก่อไม่มีคุณค่าสาระให้วันคืนเดือนปีมันก่อผ่านไปผ่านไป วัยของเราก็หมดไปหมดไปผลที่สุดก็เป็นคนเศร้าคนแก่แต่เวลามีกําลังพอจะไปวัดไปวาไปจําศีลภาวนาทําบุญสุนทานได้กอเพิดเพลินมัวเมาเฝ้าคิดตั้งใจเลื่องข้องโลกพอได้เลี่ยงข้องโลกมาสวมบังนิดๆหน่อยๆก็เพลิดเพลินจิบค้องอยากได้มากขึ้นไปหรือกังวลตั้งแต่ เรื่องของใจไม่เด็กทีนี้พิจารณาถึงเรื่องของใจพอแกเท่าก็มาเหนื่อยเหนื่อยล้าจะทําอะไรทําไม่ได้พอร่างกายมันทุดโทรมลงไปจะเข้าวัดเข้าอาจาํะขี่ภาวนาก็เข้าไม่ได้ไปไม่ไหวจะนั่งนิดๆหน่อยๆก็เหนื่อยเหนื่อยหิวอย่างนั้นก็ถือว่าเราไปไม่ได้แล้วแกแล้วจะเอาโอกาสเวลาใด ทำบุญซุ้นทานในชาติหนึ่งๆก็ผ่านไปหมดไปไม่มีอะไรเป็นดอกผลกำไรมีแต่ จ, จินทุนเก่าอยู่เรื่อยไปผลที่สุดบุญกุศลซึ่งได้เกิดมาเป็นมนุษย์มันหมดไปมันจะไปที่ไหนล่ะมันก็ไปสู่ที่ต่ำพราะหมดแรงของบุญของกุศลมันก็ไหลลงไปสู่ที่ต่ำ ตกไปในที่ต่ำที่ต่ำก็อย่างที่อธิบายมานารกเปรดอสุรกายสัตว์ชีเลฉานซึ่งพวกเราท่านไม่ปราถนาะแต่มันก็หนีไปไม่พ้นเพราะกรรมของตนที่ชั่วเสียมันผงพาไปให้หากเราฝึกอบรมจิตใจของเราชาเย็นไม่ได้ขาดมันปวดตาที่ารนาสำระใจอยู่เรื่อย ถึงร่างกายมันจะแตกสลายไปแต่ใจที่มีคุณงามความดีอยู่เต็มที่ไม่มีอะไรที่จะหวั่นไหวไม่มีอะไรที่จะเสียใจเพราะเกิดมาทำประโยชน์สิ่งใดที่เป็นประโยชน์เรารีบกระทำบำเพ็ญให้เห็นให้รู้ในตัวของเรานี่เลยชื่อว่าผู้ปืนผู้ไม่ประมาทเป็นภท ธ, ธะเป็นสาวกของพระเจา้า พวกเราท่านเป็นอย่างไรแต่เขาเข้าวันศามาจนกระทั่งวันนี้จิตใจของเราเป็นอย่างไรตรวจตาพิจารณาไหมดูไหมไปทําความดีอะไรต่ออะไรไว้ต้องตรวจตาพิจารณาําระใจของตัวสอนตัวของตัวปลุกตัวของตัวให้ตื่นไม่อย่างนั้นก็จะไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรนี่การชนิดพิจารณาําระใจของตัวทุกคน แก่ตล้องทีนี้ที่จอนยนะเพราะคนอื่นทาแทมตัวไม่ได้เหมือน ก, นกันกับทานอาหารเราทานเราก็อิม่มคนอื่นทานเขาก็อิม่มถ้าไม่ทานมันก็หิวเรื่องบุญเหลืองผู้ศรัทําทำนองเดียวกันช่วยกันไม่ได้ถึงคาารูบาอาจารย์ผู้ท่านผูรู้มีพระพุทธเจ้าเป็นตนจะช่วยแนะนำบอกสอน ก็เป็นเรื่องของท่านแต่การกระทําบําเพ็ญเป็นเรื่องของเราเราไม่เชื่อเราไม่ทําตามท่านจะสอนขนาดไหนก็ไม่เกิดสาระประโยชน์ให้แต่เราเชื่อเราทําตามทาแนะนํารําสอนของพระพุทธเจ้าเราเองจะเป็นผู้ได้รับผลรับประโยชน์คือจิตของเราจะผ่องใสจะสว่างสวัยจะสง บ, บเยือกเย็น ด้วยการกระทำบำเพ็ญต้องตัวนี่เป็นหน้าที่ของทุกท่านจะต้องหมั่นที่นิพิจะะารณากระทำบำเพ็ญเพราะการเกิดเป็นมนุษย์มันเกิดยากลำบากแสนเข็ญกว่าจะเกิดได้เมื่อเกิดมาแล้วก็ย่าให้ชีวิตของตัวมันหมดไปเปล่ารีบกระทำบำเพ็ญคุณงามความดีเอาไว้ ส่วนใด้ที่ควรจะทําดีกะทําเอาไหนว่าวันใดเดือนใดทําไปตามความสามสารถของตนคือคนไม่ประมาทเป็นคาราวะตัวมีโอกาสเวลาที่จะทําได้เป็นารายพิสุสามเณรก็ทํานองเดียวกันเรามาสร้างคุณงามความดีเกิดหากําไรไม่ใช่เกิดมาเพื่อขาดทุนทุนกําไรเมื่อทุกคน ตั้งจิตตั้งใจพิณิพิจารณาํำระใจของตัวลาชั่วบาเพ็ญดีอยู่อย่างนี้จิตใจก็จะนับวันจเจริญก้าวหน้ายิ่เตัญหานับวันจะตกไปหลุดไปนี่คือการทำความดีเสื่อขับความสั่วออกจากตัวคนที่มีความสั่วมากเท่าไรไม่มีอาจมีทำในจิตในใจเดือดร้อนวุ่นวาย ไม่มีความสุขความสบายให้ถึงสมบัติรัสดาฐานเก่าของเงินทองจะมากมายกายกองมันก็ไม่มีความสุขเพราะอารมณ์สัญญาชิเลตัญหามันรบกวนตัวเองแต่นั้นฉันจึงสอนให้มันําราจิตของตัวที่ขั่วที่เสียให้หมดออกไปเหมือนกันกับโรคไข ท, ที่มีอยู่ในตัวเมื่อสั่งหน้าตั่งตารับทานยารักษาตัวให้หายตายมันก็สุขตายมันก็สบายจะ เดินเหินหลับนอน <c oughs> นั่งยืนอะไรมันก็สะดวกช่องแคบถ้ามีโรคไข้มากมายเถไรกายไม่มีความสุขความสบายให้จะทําอะไรมันก็ลําบากแม้แต่จะยืนเดินมันก็ยืนเดินไม่ได้เพราะร่างกายเสื่อมไปโรคบวมโรคไข้หนีการชำระจิตใจที่มี่เจเลตันหาก็ทํานองเดียวกันเราควรชาระ หายใจของเรามีกําลังในทางดบทางดีใจใจของเรามีกําลังดีแล้วอยู่สถานที่ใดก็สงบอยู่สถานที่ใดก็สุขอยู่สถานที่ใดก็เย็นตรงกันข้ามใจที่ชั้วสี่เสียใจที่ไม่มีพลังความดีอะไรอยอยู่ปราสาทสว้างใหญ่โตเราหัฐานขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขความสบายให้ความร้อนของใจร้อนยิ่งกว่าไฟ ไปเรายังนี้ได้ร้อนมากว่าฮะน้มาอาบมันกว่าหายไปหรือเผาใจรบใจเงามันกวหายไปความร้อนจากดินฟ้าอากาศแต่ร้อนของใจนั้นถ้ามันร้อนจริงจังแล้วไปอยู่สถานที่ใดก็ไม่เย็นให้เข้าตู้เย็นมันก็ไม่เย็นแช่แข็งมันก็ไม่เย็นนี่คือความร้อนของใจใจจึงเป็นสิ่งสางคัญสิ่ควรจละ ซักฟอกให้สะอาดสกปรกเท่าไรก็ร ย, กยิ่งทำความเดือดร้อ น, นวุ่นวายทำทุกใัยให้แก่ตัวเ่านั้นฉะนั้นท่านจึงสอนในคำสอนของผู้ใจเจ้าสอนให้พวกเราทุกคนมันฝึกฝนจิตใจของตัวให้สะอาดให้ฟองแทร่นี่คำสอนของผู้ใจเจ้าสอน กี่ยวกับความสุขความเจริญไม่ได้สอนเกี่ยความทุกข์จนเกี่ยวกัไม่สอนในคนโง่คนเกียดคร้านคน <c oughs> มักง่ายสอนในคนขยันมันเพียนสอนในคนอดทนต่อสู้เป็นคำสอนของพระเจ้ทาทุกคนเกิดมาปรารถนาดีแต่ความดีนั้นมันทํายากมันเหน่ง่าย แต่นั้นคนจึงไม่ดีเสมอบาเสมอไหลกันเพราะเห็นว่าความดีมันเหลือวิสัยไม่อยากจะทำแต่ความจริงไม่อยากทำมันก็ไม่เกิดประโยชน์ให้เราต้องบังคับใจของเราถึงมันลำบากยากเย็นเท่าไรก็บังคับให้มันทำเกี่บความสุขความเจริญเหมือนกันกันกบ หร่ไรชาวนาถึงผลจะตกแดดจะเผาแต่เธอว่าถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่ได้เกิดสารประโยชน์อะไรให้ไหรสวนนาของเราปุูผลที่เราต้องการมันไม่มีถึงจะลำบากหนาวร้อนขนาดไหนก็บังคับให้มันทำเมื่อทำแล้วปลูผลที่เราทำลงไปจะได้มาเป็นของข้องตัว ยงอัตาภาพให้สุขให้สบายเขาจึงฝ่าแดดฝ่าฝนทำกันนี่การกระทำจิตใจก็ทำนองนั้นอย่าไปผัดวันประกันทุ่งว่าวันนั้นก่อนเดือนนี้ก่อนให้รีบกต่รรำทำบาเพ็ญไปเพราะชีวิตไม่เป็นของแนนอนบางทีฝูดกันอยู่ดีดีมันก่อ เกิดลมหายตายไปก็ได้เพราะชีวิตหยุดยังลมหายใจเท่านั้นไม่หยืดยาวอะไรหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เขา้าเขาก็เรียกคนตายจะทำบุญคุณทานให้รักษาศีลภาวนามันทาไม่ได้คนตายนี่แต่มันจะเน่าเพราจะเอาไปฝังไปเผาเท่านั้นนี่เรายังไม่ตายยังมีคุณค่าสาระหยิบจะทาบำเพ็ญเอาส่วนใดที่จะเป็นสาระ เปีย่ยนสารอย่าชีวิตของตัวรีบกระทาอย่าไปอ่างวันอ่างคืนเดือนปีอะไรพระเราทาได้ไม่เหลือวิสัยเรานั่งอยู่กับหมู่กับคณะกับกำหนดจิตใจของตัวให้สงบให้เป็นอาจเป็นธรรม เราอยู่คนเดียวก่อดูจิต ด, ดูใจของตัวอย่าให้มันท่องเชี่ยวไปในทางชั่วทางเสียนี่คือคนตั้งวรระวังจิตของตัวถ้าหากไม่ตั้งวรระวังจิตปล่อยมันนึกมันคิดมันพุ่งมันแตงไม่มีขอบเขตฝั่งฝาอะไรความสงบเย็นใจไม่เคยมีคนจิตปล่อยใจแบบนั้นไม่เคยมีใครจิตเป็นพระอารหันต์อรหรันต์ เป็นตัดาสกิาทาธาอนาธาได้เพราะการหม่ยสงวอนระวังใจหมายสำลักใจค้องตัวการสังวรระวังสำลักใจค้องตัวจากขั่วจากเสียต่างๆให้มาอยู่ในวงคล้องอัดขล้องทำจึงเป็นเบื่องจําเป็นของพวกเราท่านทุกคนควรสนใจควงฝึกควรอบรมควรขั่วควรเสียทำโลกในเดือดร้อนวุ่นวาย ก็าพาคนไม่ฝึกปรวมจิตใจของตนปล่อยให้กีเลียยตันหามานาทิฐิห้อมล้อมกัดจินใจหมดคุณขา่าระประโยชน์ตัวเองก็เป็นทุกข์กเกี่ยวของก็เป็นทุกข์นี่คือคนไม่มีศีลมีธรรมไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นอมนุษย์เลียดเบียนคนนั้นเรียดเบียนสัตว์นี้หาความสงบเยือเย็น ภายในตัวก็ไม่ได้เรื่องของอาจท่องำจำจึงจำเป็นควรกระทำบำเพ็ญควรสะสมให้เกิดให้มีขึ้นไม่อย่างนั้นวันคืนเดือนปีผ่านไปก็หมดไปหมดไปผลที่สุดเราทุกคนก็เหมือนกันกับคนมีโทษหนักประหารชีวิต ไม่ทราบแบบวันใดเขาจะเอาเราไปประหารนี่เราอยู่กัอยู่คอยวันตายเท่านั้นสนุกไปก่สนุกไปเผื่อใยเพลินไปเผื่อตาจทุกข์ก่ทุกไปเผื่อความตายหาความสุขอันกิังอย่างยืนจริงจังไม่ได้จึงควรฝึกอบรมจิตใจของตัวให้มีความสุขความเย็นอยู่ภายใ น, ในตายหรืออยู่ก็ไม่ได้เสียใจ เพราะความดีที่เราสะสมเอาไว้เราเห็นไปจักชัดใจของเรานี่คือการการทาบเทาเพ็ญสำระญกิเลสตัณหาอย่าไปคิดว่าเป็นหน้าที่ของพระเป็นหน้าที่ของคนอื่นให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของตนถ้เราทุกคนสำระสาสางังจิตใจของตนสงวนระวังไม่ให้ชั่วต่างๆเข้ามาครอบงำจิตใจ จิตใจใสว่างสวัยใจิตใจเย็นสงบผู้นั้นอยู่ในโลกอันนี้ก็มีความสุขความสบายตามอัตภาพของเขาเมื่อจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าเมื่อจะมีจิเลตันหาเขาเหล่านั้นก็จะไม่ได้เสียใจโสมหวังในการไปของเขาจนคนที่ชำระส า, สารจิเลตันหา หลุดล่วงออกไปจากใจมีความบริสุทธิ์ผุดคลองอยู่ทุกการทุกสมัยพร้อมที่จะไปอยู่หากผูดถึงจับไปใจของฉันบริสุทธิ์ว่าเกิดอย่างนั้นฉันจึงไม่มีอะไรที่จะเสียจิตเสียใจไม่มีอะไรที่จะตําหนิติตนว่าเกิดมาเป็นคน ไม่ได้สะสมอะไรท่านทำจนถึงที่สุดจนจิตเป็นดีมุมดแล้วท่านสะดวกสบายในการตายการอยู่ของท่านฉะนั้นพวกเราท่านทุกคนมีสิต ท, ที่จะประพฤติปฏิบัติได้รีบเลี่งควนขวายจะทำบำเพ็ญให้เห็นให้รู้ให้เย็นให้สงบอย่าไปอ่างการอ่างเวลาว่าวันนี้ฝนตกทำไม่ได้คุ่งนี้เสียก่อน วันนี้มันร้อนทำไม่ได้มันเย็นเพียก่อนอย่าไปคิดไปปรุงอย่างนั้นโอกาสใดเวลาใดเราควรจะทำทำกันไปชำระกันไปเพราะกิเลสมันไม่หาการหาเวลามันเกิดขึ้นได้ทุกระยะส่วนความผ่าความเพียรศีลธรรมเราจะอ่างการอ่างเวลามันไม่ทันกับเรื่องกิเลสตัณหาฉะนั้นท่านจึงให้มีสติมีปัญญา จะรู้อยู่สม่ำเสมอทุกระยะทุกเวลาอะไรเกิดขึ้นอะไรดับไปควรเก็บเอาไว้หรือควรชำระมันให้รู้เรื่องมันเกิดขึ้นจากกายจากวาจ า, าจากจิตของตัวมีปัญญาสอบสวนทีนี้พิจารณาชำระจิตใจของตัวอยู่อย่างนั้นไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนัง่งนอนคนนั้นแหละ จะมีความสุขความเจริญในชีวิตของตนการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรกีเวลาขอที่เพียงแค่นี้เอวัง